แนะนำบทอัลอิสลาฟบทอัลอิสลาเป็นบทมั ก, กียะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงเอกระวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไปสมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสต์ที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามองค์และทรง ต, ตอบโต้พวกบูชาเจวตที่กาหนดให้พระองค์ มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจะองกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระงไม่ประสูตร และไม่ทรงถูกประสูดและไม่มีผู้ใดเสมือเหมือนพระองค์